ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะดิฉันสัสนสีนาคงนะคะมาพบกับท่านกันอีกแล้วในรายการสัส น, นสีสนทนาซึ่งเป็นรายการที่เังคิดว่าผู้ฟังจะได้ประโยชน์นครบกันตั้งแต่เช้าตรู่ของวันเลยเพราะว่าท่านกำลังจะได้การปฏิบัติเพราะหลังจากที่ดิฉันได้กราบนมัสการ พระคุณเจ้าที่มาร่วมให้ธรรมะในรายการก็คือพระมหาภัยบณ์อภิปุญโนแล้วท่านยังจะโชคดีนะคะที่ได้ปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ซึ่งสอนการปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนเป็นคอร์สเต็มเเลยนะคะมาเป็นเวลาหลายปีแล้วกันสั้นๆสะสมกันวันละเล็กวันละน้อยพร้อมๆไปกับการสะสมธรรมะจากคาถามที่บางครั้งเนี่ยเป็นคาถามพื้น ธรรมดาๆรรนะคะแต่ว่าเราก็ได้คำตอบไปในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เหมือนยิงปืนนัดเดียวแล้วได้พัฒนาตนเองอย่างถูกต้องตามคำสอนของพระาศาสดานะคะตอนนี้เราก็ไปกราบนมัสการท่านพระมหาภัยบุญอภิปุลโนพร้อมๆกับเตรียมปฏิบัติธรรมกันเลยค่ะกราบนมัสการกันคะเจนปานแต่พูดถึงเรื่องของการฟังธรรมะก็จะต้องคูบคู่กันไปกับการปฏิบัติด้วย เพราะว่าเมื่อเราได้ฟังธรรมแล้วเสียงแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เทศบอกเอาไว้เข้ามาทางหูของเราทรงจําไว้ในสมองได้บางส่วนและถ้ามันจะเข้าถึงใจได้ก็ต้องมีการเอามาทำเอามาปฏิบัติจุดที่เราจะนําธรรมะจากในสมองเข้าถึงสู่จิตใจของเราได้ต้องมีการตั้งสติขึ้นสติในที่นี้ก็คือการที่ให้เรามาจิตของเรานั้นมาอยู่กับฐานที่ตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องมือที่พระพุทธเจ้า นิยมให้ใช้บอกสอนอยู่โดยส่วนมากก็มีอน า, านาปนสติก็มีก็มีพุทธานุสติก็มีธรรมานุสติก็มีเห็นที่เราได้เคยได้ยินกันใน ต, ตอนนี้เราให้มาลองสังเกตลมหายใจของเราเป็นเรื่องมือที่เรียกว่าอานาปานาสติอนาปานาสติคือการที่เรามาสังเกตเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เราอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การให้จิตตั้งมั่นเป็นอรรมณเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการที่ให้มีการวิปัสสนาด้วยเพราะว่าเวลาที่เรามาสังเกตดูรู้ลมหายใจของเรายื่ยงเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่ที่บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจที่เราสามารถจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้นี้จิตที่เป็นโรมั์เดียวมามองดูอยู่ไม่ได้เพ่งใส่ใจไปในสิ่งต่างๆอันนี้คือลักษณะของจิตที่เป็นโรมั์เดียวเรียกว่าเป็นสมถะ เวลาที่จิตมีอารมณ์เดียวอย่างนี้อาจจะมีความคิดความนึกความรู้สึกใดๆผ่านมาผ่านไปแต่ว่าจิตนั้นไม่ได้เข้าไปเกลือกลัวไม่ได้เข้าไปยินดีในสิ่งที่น่าพอใจเพลดิเลดเพลินใจไม่ได้ไปขยะกขยงเกลียดชั ง, งในสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่ชอบใจลักษณะของจิตที่ไม่เข้าไปหาสิ่งที่ชอบใจไม่วิ่งหนีสิ่งที่ไม่ชอบใจแบบนี้แสดงว่าจิตนั้นมี ความรู้มีปัญญาในการที่จะไม่ไปเกลือกลัวปัญญาตรงนี้แหละก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามารู้ดูลมายใจของเราทั้งสมถะและวิปัสสนาก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ว่าเราจะมองจากมุมไหนเท่านั้นเองถ้าเรามองจากการที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนิ่งอยู่อันนี้ก็คือเป็นสมถะถ้าเราจะมองจากมุมมองที่จิตนั้นไม่เข้าไปเกลือกลัวในอารมณ์ใดๆเป็นเพราะความรู้เห็นตามที่เป็นจริง จึงไม่ไปก้าวลงไม่วิ่งหนีไปไหนลักษณะนี้ก็คือวิปัสสนาซึ่งมันจะไปพร้อมๆกันพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าสมถาวิปัสสนาเนี่ยต้องเป็นธรรมที่เขียงกู่กันไปจากอะไราจากการที่เรามีจิตอยู่กับลมหายใจนิดหนึ่งเวลาที่เรามีจิตตั้งขึ้นอยู่กับลมหายใจเป็นสติปัฏฐานทั้ง4เป็นทั้งสมถาวิปัสสนาอยู่หน้าที่ตรงนี้แล้วเวลาที่เราเจอสัมผัสใดๆในชีวิตของเรา ในระหว่างวันไม่ว่าจะขับรถเจอผู้ร่วมใช้ถนนเดินทางโดยสารระบบรถเมล์รถไฟสาธารณะหรือว่าไปทำงานไปโรงเรียนเจอกับบุคคลผัสส ต, ต่างๆแล้วเนี่ยถ้าจิตเรามีสติอยู่อย่างนี้เราลึกถึงลมหายใจของเราชัดเจนบ้างแผ่วเบาบ้างเห็นได้ง่ายบ้างเห็นได้เ บ, บาๆบ้างเราสามารถที่จะให้จิตของเรานั้นไม่ไปเกลื่อกลวให้จิตของเราเป็นอร ม, มันเดียว สามารถที่จะทําการทํางานต่างๆได้อย่างสบายใจไดส้สามารถที่จะตั้งสติแบบนี้ไว้ได้ลตลอดทั้งวันทีเดียวช่วยเป็นพลัสสาค่ะท่านฟังก็ถือว่าได้ปฏิบัติตามคําสอนนะคะคำแนะนําที่ได้นํำออากมาจากคําของพระศาสดาว่าปฏิบัติเป็นอย่างไรนะคะกันไปแล้วส่วนใหญ่แล้วในเวลาฟังธรรมะเนี่ยพระพุทธองค์จะให้ เราทอยังไงคะต้องนั่งสมาธิฟังหรือว่าเดินไปเดินมาฟังหรืออย่างไรฟังจึงจะมีคุณภาพมากที่สุดคะคือมันมีหลายหลายกรณีคุณโยมติว๋วค่ะบางกรณีขณะที่บิณฑบาตมีพระหรือมีคราว่าเนี่แหละมาขอให้เทให้ฟังแบบนั้นก็มีสั้นๆก็มีนั่นก็คือยืนฟังกันเอาบางทีนั่งเรียบร้อยอยู่ในโรงอุโบสถในโบสอย่างนี้ ก็ก็มีทุกคนนั่งเรียบร้อยนั่งนิ่งหมดไม่มีใครไหวติงหรือไอแกรมอย่างใดบางทีพระพุทเจ้าเดินไปบินบาตดเห็นกองไฟเห็นต้นไม้พิสูจนต่างๆเดินมาตามหลังเอาก็ฟังเทศกันยืนฟังแบบนั้นก็มีและมีหลายกรณีทีนี้มันอยู่ที่สภาวะจินตนั่นเองเรื่องของการปฏิบัติแต่จะอยู่ในท่าไหนาก็ตามอ่ะบางทีท่านผู้ฟังขับรถบ้างใช่ไหมหรือว่าทํากิจการงานทากับข้าวอะไรต่างๆก็ฟังได้ทีนี้จิตของเรานี่ต้องรักษา ประเด็นก็คือว่าถ้าเราทำกิจการงานหลายอย่างเยอะเกินไปเนี่ยทำให้จิตมันอาจจะไม่ได้เป็นโารมณ์เดียวรักษายากอันนี้ก็อยู่ที่ทักษะการปฏิบัติของเราด้วยค่ะงั้นดิฉันสนใจตรงที่บอกว่าในยามบินทบาตเราที่ไปใส่บาตรเนี่ยเราสามารถจะขอธรรมะพระสงฆ์ที่เดินบินทบาตได้หรอคะคืองี้ว่า น, นั่นเป็นบางกรณีแลก็เกิดไม่ได้มากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเทศสอนกันในวัดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะพระสูตรต่างๆที่สําคัญส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าก็จะนั่งแต่จะมีบางพระสูตรที่พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตแล้วปรากฏว่าคนที่เดินตามมาข้างหลังเห็นพระพุทธเจ้ายิ้มเฮ้ทำไมพระองค์แย้มพระโอษฐอย่างเงี้ยก็ถามแต่พระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังแบบนี้ก็มีอ่าเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ต้องคงต้องยืนกันอยู่ไม่มีวินัยห้ามใช่ไหมคะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมติคนสมัยเนี้ค่ะท่านคะมไม่ค่อยมีโอกาสพบพระเท่าไหร่หรอกงอในบางคนที่ทํางานนะไปใส่วันนี้ไม่สบายใจหรือว่าอาจจะสบายใจก็ได้ไปใส่บาตรพระขอถามอะไรท่านสักหน่อยเถะนะที่เป็นข้อธรรมเนี่ยท่านจะผิดไปม่นานไหมคะก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่พระสงฆ์เนี่ยห้ามยืนกล่าวธรรมนะห้ามยืนกล่าวธรรมะยืนเนี่ยแล้วกล่าวธรรมะอันนี้เป็นข้อที่ว่าพึงทำศึกษาว่าไม่ควรทําเป็นมารยาทนน่ตนเองเป็นมารยาท เป็นอยู่ในหมวดของเสกียวัตรในที่นี้ก็คือหมายถึงมารยาทที่เราควรจะต้องกระทําเมื่อเราเข้าไปในหมู่บ้านหรือมารยาทที่ควรทําในการที่แสดงธรรมอ๋อค่ะคือเหมือนกับว่าคนถามเนี่ยไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าพระสงฆ์เองอกาจะควรจะรักษามารยาทตรงนี้ใช่ทีนี้ถ้าลองเปรียบเทียบดูบางทีอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเป็นพระสงฆ์เนี่ย น, นะท่านก็ยืนพูดเหมือนกันเอก็ยืนพูด ที น, นี้ถ้าเราดูปริบที่ระหว่างถ้ายืนพูดเขียนกระดานเขียนไว้บอร์ดหรือว่าเขียนฟลิปชาร์ดแล้วก็อธิบายไปด้วยออกท่าออกทางนี่ก็แบบหนึ่งใช่ค่ะหรือว่าอีแบบหนึ่งก็นั่งเรียบร้อยแล้วก็เทศไปนะซึ่งถ้าถ้าดูความเรียบร้อยความเหมาะสมแล้วก็นั่งเนี่ยมันก็เรียบร้อยดีอือค่ะนะและอีกอย่างหนึ่งนะคะหากเราได้พบประสงค์ที่ได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์อืม ในงานต่างๆของแต่ละบ้านเนี่ยนะคะท่านก็ไปถึงท่านก็นั่งเรียบร้อยอยู่บนอาสนะและ้วใช่ในระหว่างนั้นนี่เราไปคุยกับท่านได้ไหมคะได้ได้อ๋อเพราะว่าเดีฉันน<อ>ึกว่าถ้าท่านนั่งอยู่อย่างนั้นแล้วอ่ากําลังจะถึงเวลาสวดแล้วอืเป็นความไม่สมควรอย่างยิ่งอ่าหรืออาจจะทําให้ท่านกระอักกระอวนเพราะมีข้อห้ามอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ใช่นะคะไม่ไม่ไม่สามารถพูดคุยได้อืะแต่ ถ้าจะว่าไปก็คือว่าเราเองเราก็ต้องมีมารยาทในการพบพระเหมือนกันถูกไหมคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าพระสงฆ์เนี่ยมีพระวินัยกํากับแล้วการกํากับของพระพุทธองค์เนี่ยพูดถึงดิฉันเคยเคยอ่านผ่านๆตามกันนะคะอโอ้โหมีรายละเอียดเยอะมากเลยเ อ, อเยอะเยอะขนาดที่ถ้าจะพูดหลักๆว่าพระสงฆ์ท่านจะต้องระมัดระวังอย่างไรเนี่ย สรุปพอได้ยังไงไหมคะสั้นๆเออก็คือให้เป็นไปเพื่อความไม่คลุกคลีกันให้เป็นไปเพื่อความขวนขวายน้อยนี่คือหลักการทั่วๆไปเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดมากพูดเยอะพูดเป็นน้ําไหลไฟดับอันนี้มันก็ไม่ควรแต่พูดเสียงดังก็ไม่ควร <c oughs> ก็ต้องพูดเสียงค่อยอย่างเงี้ยอย่างกับเรื่องพูดเนี่ยเดี๋ยวฉันก็มีคนรู้สึกว่าพรพุธทงก็ทิ้งน้ําหนักให้มากเหมือนกันอ๋อใช่ใช่ถูกไหมคะทีนี้คนไปวดะะัดเนี่ยค่ะ บางทีก็คุยกับพระทุกคนพอไปถึงวัดแล้วเนี่ยเขามีการตั้งข้อสังเกตนะคะอืเม mm ื hmm. ่อคนไปวัดส่วนใหญ่ครับชีวิตไม่ค่อยดีหรอก mm hmm. มีความทุกข์ก็เอาไปใส่พระทุกเรื่องเหมือนกันเพราะบางทีไปวัดเนี่ยยังคุยธรรมะไม่เป็นใช่ไหมคะ mm hmm. ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้อะ่ะโอ๊ยคุยเรื่องจั ก, กรวาลเลยทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะเอะควรจะคุยสักแค่ไหนดีเมืาไปวดัดเหมือนคาราวาใช่ไหมใช่ค่ะเอคือคือคาราวาเนี่ยแน่นอนว่า ด้วยวิสัยที่ยังเสพกาม์นยังเสพความสุขที่เกิดจากทั้งตาทั้งหูเนี่ยเขาก็จะไปในเรื่องโลกอยู่เรื่อยในเรื่องโลกก็จะชวนคุยไปทางเรนนั้นนั้นแต่พระสงฆ์เนี่ยเอะตัวสําคัญที่ว่าพอมีคนชวนคุยไปในเรื่องโลกแล้วก็ควรจะชวนกลับมาให้ไปอยู่ทางด้านเหนือโลกนที่จะไม่ไปตามกระแสของโลกนั่ก็คือดึงกลับมาทางด้านธรรมะอย่างคุณยมติวบางทีถามเรื่องโลกมากๆอันนัก็ต้องดึงกลับมา แต่ั้งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ๆคนทําจิตอย่างงี้ๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะค่ะเพราะว่าโยมก็สังเกตว่าคนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีภูมิธรรมหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติเน่ยบางทีก็ไม่รู้จะถามอะไรเหมือนกันนะคะด้านก็เป็นแต่เรื่องโลกโกใช่ไหมคะก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องดึงกลับมานี่คือธรรมะนี่เองอืในส่วนที่บอกว่าพระสงฆ์ไม่ให้แสดงธรรมถ้าหากว่าผู้ฟังเนี่ยใส่เขียงเท้าคือใส่รองเท้า และเกิดคนเยอะค่ะท่านคะโอเคอันนี้อันนี้เป็นอย่างนี้โดยสิกขาบทเองเนี่ยตัวข้อนี้ก็คือว่าพึ่งทําการศึกษาว่าพึ่งทําการศึกษาว่าหมายความว่าคือคือถ้าทําได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นมารยาทที่ควรทำอัีนี้ถ้าในกรณีที่ทําไม่ได้หรือว่าทําไม่ไม่ไม่สะดวกในการที่จะทํำอันนี้ก็ไม่เป็นไรคําว่าไม่เป็นไรในที่นี้คือหมายถึงว่ามันเป็นมารยาทนะคุณก็ผิดมารยาทข้อนั้นไป อ๋อเป็นเรื่องมารยาทเช่นเดียวกันใช่ใพวกมารยาทนี่มีเยอะไหมคะกี่ข้อโอ้มีเยอะมากออืเป็นหลายร้อยข้อหลายร้อยข้ออ๋อดิฉันนึกว่าเป็นข้อห้ามตายตัวเลยเคร่งครัดว่าถ้าเขาส่รองเท้าอย่าไปแสดงธรรมเพราะบางทีเราเห็นคนเยอะๆเนี่ยก็มีคนจํานวนมาก ถ้าเข้าวัดบ่อยๆเข้าใจแต่จะมีคนอีกจํานวนหนึ่งแม้เข้าวัดบ่อยๆก็อาจจะยังไม่เข้าใจก็ใส่รองเท้าแต่ถ้าทางตั้งอกตั้งใจฟังธรรมก็เลยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทําได้หรือทําไม่ได้อย่างไรหรือพระสงค์รู้ว่าทําไม่ได้หรือก็อเออเขาตั้งใจก็สนสอนไปอืมมันก็จะมีส่วนที่ในทางของพระสงฆ์เองเนี่ยท่านคิดอย่างนี้ได้ก็จะมีส่วนที่เขาถอดรองเท้าใช่ไหมเราแสดงธรรมก็ปรารบคนพวกนี้นะนี่คือวิธีการคิดของท่าน ในวิธีการตั้งจิตของท่านเนี่ยก็จะสามารถให้พ้นจากอาบัติในข้อนี้ได้ปรารบคนพวกนี้แปลว่าอะไรคะท่นคะหมายความว่าฉันตั้งใจจะเทศให้คนจะมัดที่ถอดรองเท้าฟังไอ้ผู้ที่ถอดรองเท้าเนี่ยฉันจะไม่ได้เทศให้เขาฟังก็แต่คือคือเราเทศปรารบคนที่เขาถอดรองเท้าเราเห็นสามสี่คนตรงเนี้ยคนนี้เขาถอดรองเท้านี่งั้นเราก็เทศให้สามสี่คนนี้ฟังตั้งจิตแบบนี้แล้วส่วนที่เหลืออปใช่ใช่ส่วนที่เหลือเขาจะได้ยินอออมันก็เครื่องขยายเสียงมันก็ไปก็แล้วแต่เขา อ๋ออันนี้ก็ตั้งจิตแบบนี้ได้ค่ะก็คือว่าถ้าพระสงค์ไม่อยากผิดศีลในข้อมารยาท์นี้ก็มีทางออกตรงนี้ต้องตั้งจิตแบบนี้แต่ไม่ได้ไปผิดพลาดอะไรกันโยมที่พลั้งเผลอไปใส่รองเท้าหรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดาก็มีโอกาสได้ประโยชน์กับธรรมะเต็มที่เหมือนกันถ้าหากว่าท่านเข้าถึงถูกต้องถูกต้องสาธุค่ะท่านังที่ครูคที่ท่านเองก็อยากให้เกร็ดเล็กๆน้อยๆทั้งที่เปความสงสัยของตนเองแล้วก็ทั้งที่คิดว่าควรทราบกัน นะคะเพราะบางคนเนี่ยบางทีงงเอ๊ะทำไมพระจะต้องมาบอกให้ถอดรองเท้าด้วย <c oughs> สมมติเหคะต้องงงค่ะามาถึงคำถามท่านะคะเป็นบนเป็นท่านผู้ปฏิบัติแล้วก็เป็นผู้ฟังด้วยนะคะอ่าคือคุณเล็กเป็นบนบอกว่าต้องการให้ท่านช่วยกรุณาอธิบายนะคะอ่าน่าจะเป็นพระสูตรนะคะ <c oughs> ที่พระพุทธองค์กรัดอุปมาว่า เปรียบเหมือนบุรุษโยนก้อนหินใหญ่ลงในห่วงน้ําลึกมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบ ก, ก้อนหินใหญ่นั้นว่าโผล่ขึ้นเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ลอยขึ้นเถิดพ่อก้อนหินใหญ่ขึ้นบกเถิดพอก้อนหินใหญ่อุปมาณนั้นฉันใดอุปไม่นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุรุษใดยยเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาล พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งแรงอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิหมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอนสวดสรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุุษนั้นว่าขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เถิดก็จริงถึงกระนั้นบุรุรนั้นหลังจากตายไปแล้ว พึงไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาศนรกค่ะแล้วก็อ้างอิงที่มาของพระสูตรนี้นด้วยค่ะเจนปอนหมายความว่าอย่างไรคะพระสูตรนี้ในในพระสูตรนี้ถราเราไปดูในเล่มที่สิบแปดข้อที่สามร้อยห้าสิบแปดอันนี้คือในฉบับมหาจุลาน ะ, ะถ้าเป็นในฉบับของมหามงกุฎก็จะเป็นข้อที่สามร้อยห้าสิบแปดแตือหมายถึงในฉบับหลวง ข้อที่358รอยหในพระสูตรนี้เนี่ยได้ตรัสที่หมู่บ้านที่ชื่ออาสิพันต ก, กะในหมู่บ้านนี้ก็มีนายบ้านหัวหน้าก็คือหัวหน้าหมู่บ้านเขาเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านเออผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ยเขาก็มาถามพระพุทธเจ้าคือพอเราได้ยินพระสูตรใดหรือว่าเรื่องราวใดๆคนในคนหนึ่งใครใครเขาพูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยในหลักการทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะคุณยมติวตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแต่เราจะไม่ไปสามารถ ถามท่านได้หรอว่าออคำนี้ท่านพูดจริงไหมอะไรยังไงในวิธีการที่สําคัญหลักการตอนนี้หลังจากที่พระพุทธชินปณิพัน์ไปแล้วเนี่ยคือเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทแต่ตัวแม่บทบางทีคนเขาพูดคําสั้นๆขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทว่าพระสูตรจริงเนี่ยมันว่ายอย่างไงมีคอนเท็กซ์มีบริบทอย่างไรพูดปรารถใครผลที่เกิดขึ้นคืออะไรเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ทราบได้ว่าอันที่เขาพูดมาที่คนหนึ่งเขาพูดมาเนี่นะเขาพูดมาสั้นๆเนี่ย แล้วเขาเอาไปใช้ความหมายอย่างนี้โดยอาาัฐาอย่างนี้มันถูกต้องหรือไม่แเพราะบางทีบทพิจญชนะถูกอยู่แต่ว่าอาาัถาไม่ถูกก็มีเราจรึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทใน<ม>ที่นี้ในพระสูตรนี้มีนายบ้านก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่แหละ <c oughs> เ, เราก็จะใช้คําว่าคาร์มินีนะคามินีนี่คื อ, อผู้ใหญ่บ้านหรื อ, อว่านายบ้านไม่ได้ชื่อคนหรอคะไม่ใช่นายคนอ๋อใครที่ฉันเข้าใจเป็นชื่อนายคำเป็นชื่อเป็นตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะเป็นผู้ชายก็เรียกว่านาย นะหัวหน้าหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็คามินี <Okay. S 1> นะ้ซึ่งมันจะมีอยู่หมวดหนึ่งที่เขารวบรวมเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสกับหัวหน้าหมู่บ้านทั้งหมดเลยไม่ว่าจะหมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนเอามารวมกันไว้แล้วก็ใช้คําว่าคำนี้คำนี้หมดเลยอันนี้ ก, ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งหรึ่งปรากฏว่าในหัวหน้าหมู่บ้านคนนี้คำประสาทพระพุทธเจ้าบอกว่าพระามชาวปัญจภูมิเนี่ยมีบริเวณหนึ่งก็เรียกว่าปัญจภูมิเี่ยขาจะมีคนโทน้ําติดตัว แล้วเขาก็จะมาประดับพวงมาลัยสาหร่ายอาบน้ําเช้าเย็นบำเบอรไฟแล้วก็บอกว่าเวลาทําอย่างเงี้ยคนที่ฉันทําอย่างนี้ให้กับใครเนี่ยคนนั้นเนี่ยที่เขาตายไปแล้วเนี่ยนะเขาจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วก็ไหวอย่างงี้คือพรามเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมนะพรามเนี่ยแปลว่าผู้ลอยบาปนะโดยสับ<อ>เองครับว่าพรามเนี่ยผู้ลอยบาปเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีพิธีกรรมอะไรของเขาเพื่อที่จะเคลมว่ า, าคนที่ตายไปแล้วอธิวัตย์ลอยบาปแล้วนะ ล้งแบบเรียบร้อยอคุณใบสวัสด์อย่างนี้ซึ่งในหัวหน้าหมู่บ้านคนนี้เขาก็มาสงสัยแล้วว่าถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีเทคนิคในการตอบคุณโยมติ๋วอยู่หลายอย่างหนึ่งในเทคนิคนั้นคือการถามกลับนะคือแทนที่จะตอบตรงๆ ต, ต, ตัวเลยก็ถามกลับนะถามกลับโดยลักษณะเปรียบเทียบให้ฟังค่ ะ, ะซึ่งในที่นี้ก็คือคําถามที่พระพุทธเจ้าถามกลับนี่แหละนะถามว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นปเปรียบเทียบดูคนที่ถา้าบอกว่าเขาเอาหิน ใส่ในหม้อแล้วก็วางลงบนผิวน้ําเนี่ยแล้วก็ปล่อยไปใช่ไหมในระหว่างที่ปล่อยไปเนี่ยเอามาช่วยกันสวดช่วยกันอ้อนวอนให้หม้อใบเนี่ยมันลอยอยู่อย่าได้จมเขาจะทําไม่ได้เลยนะจะเปรียบเทียบให้กันกับสิ่งที่เป็นของหนักเช่นการทําอกุสุลธรรมทั้งหลายข่าศัตริย์ลักทรัพย์พระพุทธพิธนกากรมพูดมิจฉาวาจาแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย ม, มันเหมือนกับของหนักที่ถ้าเมื่อ ร่างกายนี้แตกใช่ไหมพอ <Okay. S 1> เราทุบหม้อเนี่ยทุบหม้อปุ๊บหินที่อยู่ในหม้อมันจะต้องตกลงข้างล่างแน่นอนเนะี่ส่วนที่เป็นเนยใสนะในเนี่ยคือในหม้อนี่นะถ้าเราใส่ทั้งก้อนหินใส่ทั้งเนยใสลงไปนะแล้วก็เอาวางลอยบนผิวน้ําแล้วก็ทุบหม้อให้แตกเนะี่ส่วนที่เป็นหินก็จะตกลงส่วนที่เป็นเนยใสก็จะลอยอยู่บนผิวน้ำถูกไหมค่ะ <Okay. S 1> ต่อให้เราจะสวดอ้อนวนอนยังไงก็ตามนะีให้หินลอยอยู่แล้วก็ให้เนยใสจมลงเขาจะต่าไม่ได้ อันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่เป ร, เรียบเทียบกับคนที่ถ้าทําบาปนเะป ร, เรเียวยเหมือนหินหนักๆเนี่ยคุณก็จะต้องไปตกนรกเราให้คุณจะทำพิธีกรรมใดรก็แล้วแตนะ่หรือว่าคนที่ทําบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเนี่ยก็จะเหมือนกับเนยใสที่ลอยอยู่ซึ่งพิธีกรรมอะไรต่างๆงานศพงานอะไรเขาจะมาสวดกี่วันเนี่ยอันนี้เป็นสําหรับคนเป็นละไม่ได้เกี่ยวกับคนตายละอันนี้คือที่หมายถึงในที่นี้ในประสูต์นี้ค่ะอืมการกับ ก็แปลว่าต้องทําดีใช่เพราะไม่เช่นนั้นต่อให้มีคนเขาปราถนาดีเขาช่วยสวดมนต์ให้คุณจํานวนมากๆญาติพี่น้องรักเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้คุณไปดีได้อ่าคืออย่างนั้นไหมคะช่วยเนี่ยมันเป็นหน้าที่นะคืออย่างสมมุติว่าท่านลูกคือบางคนอาจจะถ้าถ้าพูดอย่างนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่างั้นฉันก็ไม่จัดไม่ทําอะไรให้เลยน ะ, ะซึ่งเรื่อนี้ก็จะไม่ถูกอีกแต่แปลว่าเป็นหน้าที่ของลูกนะถ้าบอกว่ามารดาบิดาร่วงรับไปก็ทําบุญอุทิศให้อันนี้ก็สามารถทําได้ ทีนี้ว่าผลมันก็จะไม่ได้เท่ากับที่ตัวเองทําเองหรอกค่ะอ่ะแต่ว่าที่มาที่กระสูุนนี้เนี่ยเข้าใจว่าคนยังมีชีวิตนี่แหละต้องไปปฏิบัติตนเพราะนี่พูดถึงว่าถ้าไม่ทําตนดีตายไปแล้วนี่ไปไหนตอนไหนเลยนะคะถูกต้องถูกต้องมันคือจบตั้งแต่ตอนที่ร่างกายเราแตกตายไปก็คือเปรียบเหมือนกับตอนที่ทุบหม้อนะ่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยพระพุทธเ้าเปรียบเหมือนกับหม้อดินนะถ้ามันจะแตกมันจะแตกตอนที่ เอยังสุกใหม่ๆหรือว่าเก่าแล้วก็มีทั้งนั้นเปรี้ยวแบนี้ค่ะแล้วในก็เป็นอันว่าคำถามของคุณเล็กเนี่ยสมบูรณ์ไหคในคำตอบอดิฉันกำลังจะถามเพิ่มเติมต่อไปอันนี้ในกรณีแบบเขามางานศพจัดงานศพให้อย่างดีแล้วก็ช่วยในการที่จะ อ, ะอธิษฐานแล้วก็ปฏิบัติใช่ไหมคะที่จะให้ผู้ตายเนี่ยไปสู่สุคติเถิดสุคติเถิด มีอีกประเภทหนึ่งค่ะคือเหมือนกับเป็นคนที่ชื่อเสียงเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนไม่ดีในมาตรฐานของคนทั่วไปพ อ, อ, อเสียชีวิตปุ๊บทีนี้ก็ไปเหมือนกันคนไปก็ น, นึกในใจเลยจบจบได้สัทีไปลงนรกท่านะ่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยทำผิดไปเยอะคนที่คิดเนี่ย ค, ค, นคนที่คิดแบบนี้เนี่ยนะคื อ, คอตอนที่เขาตายเขาก็ไปตามกรรมของเขาแล้วนะไม่รู้ดีไม่รู้ช่วล่ะถ้า ถ้ารู้ก็รู้นะถ้าคนมีความสามารถเขาอาจจะรู้ได้แต่ถ้าคนไม่มีความสามารถเขาก็จะไม่รู้ทีนี้ว่าจิตใจของเราที่มีความคิดในทางพยาบาทกับเขาเนี่ยมันไม่ดีนี่เป็นการคิดผูกเวรนะเป็นการคิดผูกเวรเพราะว่าคิดว่าตายแล้วเขาจะจบแต่ว่าจิตใจเรายังคล้องอยู่ในสิ่งนั้นในความคล้องกันนี่แหละในความคล้องนี่แหละมันไม่ดีมันจะเป็นเหมือนการผูกเวรเพราะฉะนั้นต่อให้เราไปงานศพคนที่เราไม่ชอบหรือว่าเขาทําความไม่ดีมา เราควรที่จะมีอาโหสิกรรมให้กันควรที่จะมีความอาภัยให้กันาตายแล้วก็จบจบ ก, กันนะก็แบบยกโทษให้อาภัยให้หรือว่าขออโหสิกรรมอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยนะคว<น>รจะมีจิตใจประเภทนี้ถึงจะดีงั้นก็เท่ากับว่าการตายของคนคนนั้นนี่ได้ทําประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ข้างหลังซึ่งรู้จักเขาด้วยถ้าเราวางจิตแบบอาโหสิกรรมใช่ไหมคใช่ใช่วางจิตให้ถูกการตายของคนทุกคนเลย คุณโยมเติววนนี้จะเป็นสิ่งที่เราเป็นเทวทูตเป็นทูตนำข่าวดีมาบอกเตือนเราโอว้ว่าแม่เขาก็ต้องตายนะแม้ตัวเราเองก็ไม่ร่วงพ้นจากความตายไปได้ควรแต่ที่เราจะทำความดีทั้งทางกายทางวาจาทางใจอันนี้สาคัญคมากเท่ากับเป็นเทวทูตมาเตือนแล้วให้เราทำความดีทั้งกายวาจาใจใช<จ>่งั้นก็ะจะได้เขาเรียกอะไรคะอย่าไป อย่าไปเผลอมีจิตคล่องเป็นอย่างนั้น่ะมีจิตคล่องเพราะว่าตัวเราเองแหละเป็นคนเสียหายใช่เขาเสียชีวิตเขามีที่ไปของเขาแล้วซึ่งเขาเลือกของเขาเองอืแล้วทีนี้คนมาวัดบางทีก็มีหลายแบบคนมาวัดมางานศพมาคุยกันบ้างมาพูดไม่ดีกับคนนั้นบ้างมาอะไรกันหลายอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงต้องรักษาจิตของเราให้ดีอันนี้คือไม่ใช่ว่างานศพเฉยๆนะยังหมายถึงการมาวัดทั่วๆไปคุณ ไ, ไปวัดใส่บาตไปวัดปฏิบัติธรรมแต่เพระาะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็ มีพื้นฐานมาแตกต่างกันน่ะไม่ใช่ว่าคนไปวัดจะดีหมดใช่ไหมมันก็มีที่ไม่ดีมก็มีมาฝึกใจฝึกจิตก็มีแล้วเราก็ฝึกจิตของตัวเองให้ดีนี่คือเรื่องสำคัญคือเหมือนกับว่าไหนๆก็ตั้งใจไปในที่ที่เราคิดว่าจะช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้แล้วก็ปฏิบัติอย่างละเอียดเลยแม้กระทั่งความคิดก็ต้องควบคุมใช่ใค่ะแต่อย่างนี้สิคะดิฉันเองก็เห็นคนปฏิบัติหลายคนแม้แต่กระทั่ง ตัวเองที่พยายามนะคะที่จะขัดเกลาร์บางคนนะคะ่ค่ะเขาบอกว่าผ่านมาในเวลานานๆแล้วไม่สบายใจเลยคือไปได้พักอยู่ทั้งวันทั้งคืนกับเพื่อนผู้ปฏิบัติด้วยกั น, นการปฏิบัตินี่เป็นของใครของมันถูกไหคะอืมอืมออก็เพื่อจะไปทำงานบางอย่างแล้วถูกเพื่อนผู้ปฏิบัติด้วยกันวิพากวิจารอืมว่า คุณเนี่ยเหมือนกับคนไม่ได้ปฏิบัติเลยทั้งๆ ท, ที่ปฏิบัติมานานทำให้เกิดความทุกข์มากก็บอกว่าเอ๊ะก็ฝากไฟทั้งเนี้ยมาเป็นเวลา20ปีแล้วนะแย่มากเลยแสดงว่าเราเนี่ยไม่พัฒนาเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยทำให้คนอื่นเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างนี้ได้ค่ะโอเคเรื่องนี้จะมีอยู่สองประเด็นคุณหยมเตียวค่ะถ้าบอกว่าสมมติสมมติตัวอาตมานนะสมมติตัวอาตมาเนี่ยไปปริบัติธรรที่วันแล้วมีคนมาพูดใส่เรา น้ำเอ้ค so, <Katie Welcome. S 1> ุณทำไมเป็นแง่เหมือนกับคนไม่ได้ปฏิบัตทําเลยแล้วนี้เราก็ต้องดูด้วย2อย่างนั่นคือในกรณีแรกถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนั่นนี่คือในกรณีแรกนะเอ้ะเราเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าในช่วง20ปีหรือว่ากี่กี่ปีก็แล้วกระแตที่เราฝึกปฏิบัติมาเอ็กเรายังยังเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเรายังรู้สึกขึ้นขึ้นลงลงตามคําพูดของเขาหรือไม่คําพูดของเขาเอ็กเขาเป็นบัณฑิตหรือเปล่าถ้าเขาเป็นบัณฑิตที่มาคอยเตือนเรา อันนี้เราก็ควรจะมาฟังดูนะว่าเราเป็นยังไงคืออันนี้ตรวจสอบที่ตัวเองเลยอย่าปเพ่งไปเพ่งที่เขาว่าเขาเป็นบดินหรือเขาเป็นคนบานตรวจสอบที่ตัวเราเองก่อนว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยยังรู้สึกขึ้นๆลงลงตามสิ่งที่มากระทบี่มันอาจจะไม่ดีอย่างที่เขาว่าจริงๆก็ได้แต่ถ้าขึ้นขึ้นลงลงอยู่หรือถ้าปุวัจิตจิญของเราไม่ขึ้นไม่ลงที่ไม่ขึ้นไม่ลงเนี่ยมันกระด้างหรือเปล่าเพราะ บ, บางคนเนี่ยมีทิฏฐิลามกมีความแข็งกระด้างใช่ไหมใครเตือะไรฉันก็ไม่ฟังแหละฉันก็ดื้อรั้นของฉันอยู่อย่าง ไม่ขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่ากระด้าง <ST> อันนี้คือในเคสที่สองนะแล้วในเคสที่สามก็คือว่าคือเอ้ยฉันก็ไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลนะแต่ฉันจิตใจอ่อนนุ่มอ่อนโยนจิตใจแบบนี้ถึงจะดี น, นั่นคือ1นะในกรณีที่1คือเรายังขึ้นขึ้นลงลงอยู่อันนี้มันก็เป็นความจริงอะว่าปฏิบัติมาหลายปีก็จริงแต่อาจจะไม่ได้ดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นจริงอย่างที่เขาว่านี่คือในกรณีที่1ในกรณีที่สองถ้าบอกว่าเราไม่ได้ขึ้นขึ้นลงลงอย่างที่เขาว่าหรอกแต่ว่าเป็นเพราะความแข็งงกระด้าในจิต อันนี้ก็ไม่ดีนะ1และ2นี่ไม่ดีแต่ว่าในกรณีที่3เราไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงแต่ว่ามีความอ่อนความนุ่มนีมีจิตที่อ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนเหมาะนี่คือลักษณะว่าเป็นจิตดีแล้ถ้าเราดีแล้วเนี่ยคือต่อให้คนทั้งโลกเขาบอกว่าเราไม่ดีไงนะเป็นเรารักษาสีเราไม่ได้โกหกอ่ะต่อให้คนทั้งโลกเขามาประนามว่าคุณโกหกคุณโกหกก็ทําไม่ได้ทําเราจะต้องไปกังวลอะไรใช่ปะนี่คือในเคสที่สามนี่คือในเคสที่3ค่ะท่านคะแต่ท่านเข้าใจว่าน่าจะเป็น กรณีที่ก็เลยกลับมามองตอนเองน่าคิดว่าเออเราก็ยังขึ้นลงอยู่น ะ, ะนี่แปลว่ายี่สิบปีนี่มันเสียเปล่าเลยหรืออย่างไรตรงนี้แหละจึงต้องกลับมาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไปว่าประมาณเครื่องวัดสอบในบุคคลต่างๆนี่ไม่เท่ากันถ้าเรามาดูอ่ะอย่างดูโจนอังกุลิมานโอ้ยถ้าใครมาให้มาวินิจฉัยนะต่อให้ใครก็ตามแต่ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะก็ต้องวินิจฉัยผิดแล้วว่าต้องไปนรกแน่นอน ใช่ปะ่ะโอ้แต่ว่าพลิกฝ่ามือได้นวลาหมดแค่คาถาเดียวว่าให้พระอังคุลิมานมาบวชได้อย่างเงี้ยโอ้นี่ความสามารถของพระบุรุชาติจริงจริงแล้วก็ก็คือพลิกผันก็ได้อะในขณะที่ถ้าเรามาพิจารณาเรื่องของพระเทวทัตโอ้พระเทวทัตนี่บวชนะเป็นเจ้าชายด้วยแล้วก็มีอภิญยาด้วยแม่ต้อง <Okay. S 1> ดีแน่นอนเอาแต่ว่าไปนรกอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นประมาณเครื่องวัดสอบในบุคคลเนี่ยไม่สามารถทําได้เลย เพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าปฏิบัติมา20ปีเนี่ยมันอา จ, จะไม่เท่าคนอื่นก็ปฏิบัติมา3ปีก็ได้แต่เราจะไปวัดสอบอย่างนี้ไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าที่ทำมายี่สปีนั่นถูกหรือเปล่าอาจจะถูกบ้านผิดบ้านแต่เราก็ลองทําดูไหนคําว่าลองทําดูเนี่ยคือหมายความว่าให้ทําจริงแน่จริงอย่าท้อแท้ท้อถ อ, อ, อยเพราะาถ้าเราไปเป ร, เรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้เนี่ยส่งจิตออกแล้วเราจะเราจะเป็นทุกข์เอง ค, อ ค, คือคนที่เป็นจะไม่จะไม่เป็นทุกข์จะมีความผาสุกได้เนี่ยนะก็ต้องไม่ ตัวเราเองค่ะอันนี้นเขาจะปฏิบัติได้ดีมากาขึ้นท่านคะ่ะงั้นถ้าสมมุติในกรณีที่เป็นเช่นนี้คือเราก็รู้เหมือนกันว่าเวลาอะไรมากระทบเนี่ยเราก็ยังคล้ายๆ ค, คนอื่นทั่วๆไปนะคะแต่ว่าเราก็รู้นะว่าฉันโกรธจริงๆเลยรู้ตัวใช่มคะเราเควรจะทำอย่างไรต่อไป อืมเออเวลาเรามีสตินั่นคือคำว่าที่เรารู้ตัวเนี่ยก็จะมีสติแล้วนะเรารู้ตัวรู้ตัวรอบขรอบว่าเรามีสติแล้วรู้ปัญหาละนั่นคือบางคนเนี่ยไม่รู้ปัญหาด้วยจ้ำนะคือถ้าเราไม่รู้ปัญหาเนี่ยเราแก้ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ปัญหาแล้วเราพอจะแก้ได้ทีนี้วิธีแก้ตรงนี้คือสําคัญแต่เรามีสติรู้รับว่าฉันโกรธหรือว่าฉันไม่พอใจหรือว่าฉันมีจิตขึ้นลงแล้ววิธีแก้ในการที่จะดับปัญหานั้นออกไปอันนี้คือวิธีการที่ มันจะต้องใช้สมถธยิด้วยคือสมาตาด้วยต้องใช้วิปัสสนาด้วยคือการเห็นตามที่เป็นจริงด้วยมันถึงจะตัดอารมณ์ความรู้สึกความคล่องตรงนี้ออกไปได้และการตัดเนี่ยต้องใช้มีดคมคมทีนี้ถ้ามีแต่มีดแล้วมันไม่มีกําลังในการผลักไปหันไปสายไปเนี่ยเลื่อยออกไปเนี่ยกําลังตัวนี้ไม่มีมันก็ทําไม่ได้ก็คือไอ้มีดคมคมก็เหมือนกับปัญญากําลังในการที่จะตัดตรงนี้ก็คือเหมือนกับสมาธิมันต้องไปด้วยกันแต่ทีนี้ไอ้ที่พันปานมาเนี่ย มันจะเป็นลักษณะนี้หรือเปล่าว่ามีการฝึกปฏิบัติก็จริงแต่ก็มีการพอกปูนกิเลส ด, ด้วยนะคือคุณไปรับมีดมาคมแล้วแต่เอามาใช้มาเก็บไม่ดีมาให้ฝนรั่วโรสมีสนิมขึ้นอา้าวมันก็เลยพอจะใช้งานจริงๆมันเลยก็ใช้ไม่ได้นะเรก็ต้องไปฝึกปฏิบัติใหมนะ่ไปขัดใหม่ไปรับใหม่อพอแล้วก็เก็บมาไม่ดีอีกอย่างเงี้ยเหมือนสลับไปสลับมามก็เหมือนกับมีดก็ทื่ออยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนะคะ่ะ ในสังคมของคนที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องการเหมือนกับหากัลยาณมิตรหรือโดยโดยปกติในเมื่อเป็นผู้ปฏิบัติก็ไหลไปกองรวมกันเพราะอ่าส่วนใหญ่ก็จะไปเจอแต่คนที่ว่าปฏิบัติใช่ไหมคะบบทีนี้มันก็เกิดอดไม่ได้ค่ะอยากรู้เขาทาแล้วเป็นยังไง <laughs> <laughs> อยากรู้ว่าเขาก้าวหน้าไปมากไหม พอฟังคนอื่นนี่ทําไมเขาไปอย่างนั้นฉันไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยนะอื ม, อมขวัญเสียคะ่ทค ะ, ะท่านคะแล้วดิฉันคิดว่าไอตัวเนี้ยสําคัญนะคะมันมันจะเกิดความรู้สึกทําไมเราไม่ได้อย่างเขานะอเอ๊ะหรือเราไม่ก้าวหน้านะ อ, อะไรอย่างเงี้ยควรจะเป็นอย่างไรคะสําหรับคนที่กําลังรู้สึกอย่างเนี้ยคะ่ะคุณให้มีความศรัทธานในความในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะคือแน่นอนว่าประมาณเครื่องวดสอบมันไม่เท่ากันนะ คุณหนณึ่งก็จะก้าวหน้าคุณหนึ่งก็จะถอยหลังอันนี้เราจะมาเป็นเครื่องปริภูเทียบกตัวเราเนี่ยไม่ได้อันนี้คือข้อที่1น่ละข้อที่2แล้วถ้าเราไม่ได้ผลอย่างนั้นเราคุณหนึ่งที่เขาได้ผลอย่างนั้นแล้วเรายังไม่ได้เนี่ยตรงนี้คือลักษณะว่าเพ่งไปที่ผู้อื่นละการเพ่งผู้อื่นไม่เพ่งที่ตัวเองเนี่ยจะทําให้เรามีความไม่ผาสุกเราดูที่ตัวเองสิงเพราะฉันมีสิทธิ์ไหมเฮ้ยฉันมีสิทฉันก็ก็ดีแล้วนี่ฉันควรจะพอใจได้สบายใจได้นี่คือในกรณีที่2นเะเรา่คพงผู้อื่นคะเพ่่งทีตัวเอง ทีนี้ถ้าเราเพ่งที่ตัวเองแล้วยังไม่เห็นได้ผลอย่างที่ตามที่ต้องการแสดงว่าไอ้กำลังความอยากของคุณเนี่ยมันเกินกําลังคือสติที น, น, นี้เราดูได้ดันดีนะ อ, อะไรก็ตามที่มันเกินกําลังสติตรงนั้นเป็นความอยากอะไรที่มันเป็นความอยากแล้วเราจะมีความทุกข์นะแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าไอ้ความที่เราจะกระทําแล้วเนี่ยมันอยู่ในกําลังคือสตินะสิ่งที่เรามีกําลังในการที่จะทําต่อไปตรงเนี้ยก็เรียกว่าศรัทธา คือ <Okay. S 1> ความมั่นใจคือความลงใจความเชื่อใจความทําให้เกิดความพอใจในการกระทําแต่ตรงนี้คือสําคัญนะคือต้องมีศรัทธานั่นเองสรุปนะ <Okay. S 1> คือต้องมีศรัทธาว่าอะไรว่ากระบวนการที่เราทํามาเนี่ยสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยมันถูกต้อง <Okay. S 1> เราจะทํายังไม่เจริญทําได้ไม่ดีพัฒนา ย, ยังไม่เพียงพอเราก็ทําไปให้มาให้มีฉันท์ท่านในการกระทําแต่ถ้าฉันทามันมากเกินล้นเกิ น, น, กนมันจะกลายเป็นความอยากนี้ไม่ดีล้นเกินกําลังของสติ <Okay. S 1> อย่าให้มันเกินตรงนี้ ค่ะเออเดี๋ยวฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะที่มันเกิดความอยากนะั่นแหละคท่านคะอืมคือเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยทุกคนก็หวังผลเลิศเหมือนกันเยี่ยมไปแล้วก็ยิ่งรู้ว่าถ้าเดินไปตามทางเนี่ยผลรอยอยู่ข้างหน้าเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็น่าจะเป็นเจ้าของผลนั้นอืมแล้วเราก็เกิดไปปฏิสัมพันธ์กับคนที่เอ้ยนี่มา <คน S 2> ทีลหลังเราอีกนะถ้าไม่ทํำท่าไปไกลกว่าเราขนาดนั้นออันนี้แหละสําคัญนะว่าเพราะฉะนั้น ให้มีศรัทธาแต่ให้มีศรัทธาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่าตัวอย่างมีแล้วคือพร ะ, ะพระรุทธเจ้าทําได้แล้วแต่คือพระธรรมคือกระบวนการในการปฏิบัติคือปฏิปทานี้ถูกต้องแล้วแล้วมีหมู่ที่เข้าปฏิบัติกันด้วยแม้เราก็ปฏิบัติ ด, ด้วยอันนี้ดีมากอยู่แล้วนี่คือประสงค์คนั่น อ, อ, อย่างนี้ดีไหมคะท่านในการดําเนินชีวิตก็จึงควรถ้าจะสนทนาเกี่ยวข้องกันกับเพื่อนกัลยาณมิตรเนี่ยก็สนทนากันในเรื่องของอใครครวญธรรมะ ของพระศ า, าสดา<ช>แต่ว่าในส่วนไปเพื่อนเป็นอย่างไรเนี่ยพยายามเลี่ยงเลี่ยงก็ก็ฟังได้อยู่แล้วก็อนุโมทนานขเขาก็ดีนะแต่มาว่าแต่ว่าอย่าให้มีความอยากไงแ ต, แต่ที่สำคัญที่สุดก็กลับมาพัมาดูตัวเองใช่ใช่นี่สำคัญน้ำหนักทิ้งที่การดูที่ตัวเองนรัทธานี้สำคัญใช่อย่าให้มีความอยากให้มีศรัทธาให้มีฉันทะอันนี้ถูกต้องเจมส่<อ> อย่าให้มีความอยากอย่าให้มีศรัทธาเอ่อแต่แต่ให้มีศรัทธาออให้มีทธาให้มีศรัทธาให้มีฉันทาใช่นะคะวันนี้ก็ต้องกราบนมรส ก, การขอบพระคุณท่านพระมหาภัยบูลอภิปุณโญเป็นอย่างยิ่งนะคะนมรส ก, การคะ่ะเย็นปานติดตามรับฟังรายการกันในวันพรุ่งนี้พุทธ ว, ส, วสดีค่ะ